ถ้าเป็นเครือข่ายแล้วไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เลยนั่นลองคิดดูนั่น่ะ ค, คนที่มีใจหลอยแหละเลวไหลแล้วอย่างนี้มันจะไปคิดอ่านการงานอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ถกลงคนใจรอยมันเป็นย่างนั้นคิดจะไปทําการงานการงานอันหนักหนางนี่ก็ทําไม่ได้คนใจรอยคนใจเบา สู้ไม่ไวออย่างนี้เลยแล้วนันนี้วิชาความรู้อะไรของตนก็ไม่มีมีก็ น, นิดหน่อยหนึ่งไม่พอที่จะได้ไปนั่งเก้าอี้เขียนหนังสืออยู่ในร่มความรู้เชนั้นไม่มีี่เอา้าเมื่อเมื่อความรู้งั้นไม่มีมันก็ต้อง ทำงานหนักเลยเอ่อจะไปทําการค้าการขายทุนก็ไม่มีแบบนี้นั่นไงทําอะไรแบบนี้เออก็เป็นกรรมกรเท่านั้นแหละแบกแบกหามหามแล้วทํานาทําสวนเป็นกเกษตรกรเป็นกรรมกรบัง่งรับจ้างทํางานบ้างคนที่ ความรู้น้อยนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะันนี่เอา้างานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อย่างนี้แล้วชีวิตมันก็ไม่มีความหมายแล้วอื่นนเนี่ยก็ต้องตกทุกข์คิดได้ยากลำบากากล้ากรรมไปการเป็นนักบวดนี่ถ้าหากว่าสละความอยาก ความฝาธรรมในหัวใจลงได้เพียงบางส่วนแล้วอย่างนี้มันก็อยู่ประพุทธภูมิจันทร์นี่ได้เลยเออไม่เดือร้อนอะไรเลยเพราะว่าสมณะนี่อาศัยแต่บริขารแปดเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็อยู่ได้เจ็บป่วยลงไโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ไม่เอาค่ารักษาเลยปานนั่นแหะ เขายกย่องพระพุทธศาสนารัฐบาลนะแนย่ยางนี้ที่บุคลประพฤติพรหมาจรารย์ไปไม่ได้ก็เพราะมันบันเทาตัณหาในหัวใจไม่ได้เรื่องมันนะมันปล่อยให้ตัณหาครอบงำจิตใจอยู่นั้นเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตอยู่งั้นแหละ อ, อนาคตต่อไปเราจะเป็นยังไงหนอ <c oughs> เราจะไปหาเงินหาทองได้ยังไงหนออืะเราจะมีความสุขความทุกข์อย่างไรเนาะก็วิตกวิจารไปก็เดือดร้นไปอนั่นแหละคนผู้ที่จะพูดพรหมาจรรย์ไปไม่ได้ก็เพราะมันเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตในอดีตตนเคยสนุกสนานอย่างนั้นมา แล้วอย่างนี้เมื่อนึกถึงความสนุกสนานในอดีตที่ลงมาแล้วก็มาดูปัจจุบันปนีต้ตนทําไม่ได้เพราะมีวินัยเป็นเครื่องบังคับไว้อยู่ก็เดือดร้อนนะนั่นแหละผู้ที่จะประพฤติพรหมาจรรย์ไปไม่ได้เพราะมันส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคต <c oughs> มันไม่ได้กําหนดอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้ใดมาเอากําหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วทิ้งอดีตอนาคตไปเลยอย่างนี้นะมันก็อยู่สบายสบายการปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดเลยอันครือขัดนี่มันอย่างว่านั่นนะมันไม่ไหวไม่ให้เพ่งไปก็ไม่ได้ แต่ผู้มีสติสมบัติเนี่ยถึงแม้จะคิดอ่านการงานอะไรไปมันก็รู้เท่าทันไปรู้เท่าอ่ะคิดไปแล้วได้สมหวังก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนี่เรียกว่ารู้เท่าความคิดความต้องการของตัวเองถ้าไม่ทำความรู้เท่าไว้อย่างนี้แล้วเมื่อตนคิดอะไรอยากได้อะไรไปแสวงหาไปทาไปแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เดือดร้อนแล้ว ก็เป็นทุกข์อ่ามันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกันหานี่นะผู้ไม่ยอมตกเป็นทาสของตันหาอย่างว่านั้นมันก็เป็นอย่างว่านั้นแหละได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปถ้าทําใจได้อย่างนี้ก็สบายอ่าใครจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็พอสบายได้อยู่บ้างนะอันนี้ ถ้าเป็นนักบวดนี่ก็ยิ่งยิ่งต้องการทําจิตใจให้เป็นปัจจุบัอนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่ต้องเพ่งไปในอดีตอนาคตอันประกอบไปด้วยตัณหาความทะเยอะทะยานต่างๆถ้าไปพิจารณาไปอนาคตโดยที่มีเหตุผลควรคิดควรพิจารณาไปอย่างนี้มันก็ไม่ให้โทษอะไรถ้าคิดไปได้ด้วยความอยากความปรารถนา ต่างๆนานาแล้วมันมักจะมีโทษมันเป็นอ่งั้นเมื่อสาวถึงเรื่องอดีตมาก็เหมือนกันถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วก็มาประมวลดูแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องมีแต่ผิดหวังทั้งนั้นถึงเป็นเรื่องสนุกสุข สบายก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนถ้าคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วมาสรุปมาลงอย่างนี้แล้วมันก็ยังชั่วนะก็ไม่หลงมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องอดีตคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะความสุขสนุกสนานมันก็เป็นมาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละครั้งแต่ละคราว คันแล้วมันก็หายไปอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะให้มีความสนุกสนานสม่ำเสมอตลอดไปในโลกอันนี้ไม่มนนีมีแต่ในทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทำบุคคลให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอไปได้ในทางธรรมอย่างว่านั่นแหละ เราละอดีตอนาคตซะแล้วแล้วมากำหนดพิจารณาอยู่ในปัจจุบันพิจารณาดูจิตใจตัวเองมันคล่องอยู่ในเรื่องอะไรมันยึดถือเรื่องอะไรอยู่มันเดือดร้อนกับเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าเมื่อรู้ว่าจิตใจตนมันยึดเรื่องนั้นอยู่เรื่องนั้นไม่ควรยึดก็สอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางเรื่องนั้นเสีย กำหนดใจปล่อยวางมันไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องนั้นดับไปแล้วใจก็เป็นปกติอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เดือดร้อนลิ่นรนอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรนี่เรียกว่าอยู่เฉยๆนี่ถ้าว่าอยากก็อยากพ้นทุกข์เท่านั้นแหละ ทำยังไรหนอะเราจึงจะพ้นจากทุกนี้ไปได้เออถ้าอยากอย่างนี้นี่นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวมาเลงดูตัวเองนี่ยังตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกในโลกอันนี้นะจะไม่ตกอย่างไรแล้วถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มคนน้อยอยู่แต่เมื่อเลงพิจารณาดูต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นคนแก่ได้เหมือนกันนะในการต่อไปนี่ ความแก่ความสุดโทมของร่างกายนี่มันก็ทำให้ลำบากลำบุจิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อมันสุดโทมไปแล้วนี่แหละแล้วก็บางทีก็เพราเชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาอก็ต้องเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างนี้แหละที่ว่าตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นั่นนะ นอกจากความทุกข์อันธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์จากกิเลสมันแผดเผาเอาราคะโทสะโมหะมันแผดอันเผาเอาก็เดือดร้อนกันไปผู้ใดไม่เพียรพยายามละกิเลสกิเลสเหล่านี้มันใจมันสร้างมาแต่ก่อนนันก็มีแล้วมาสร้างเอาใหม่ก็มีสมทบกันเข้ามันก็มีกำลัง เผาจิตใจนี่ให้เราร้อนเมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละความทุกข์ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะมันมันขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไม่ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ยังไงเลยนั่นแหละ ถ้าใช้สมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นและเห็นความทุกข์ <c oughs> จะไปทุกข์อย่างไรแล้วอพอตื่นนอนมาเอา๊ะวันนี้จะเอาอะไรมากินหนอกับข้าวมีหรือไม่หนออจะไปหาเงินยังไงสําหรับผู้ครองเลือนเป็นนักบวชก็เอาตื่นนอนมา ก็ต้องทํากิ จ, จวัตรต่างๆเสร็จแล้วก็บินธบัติออย่างนี้เลยถ้าไม่ไปบินธบาติก็ไม่ได้ชั้นอันนี้มันก็ร้วนตั้งแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเละมันความทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่หาอะไรมาปนปื้อมมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะนี่มันก็ทรุดโทรมไปมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยการแสวงหาันเป็นนักบวชนี่ยังชั่วหน่อยนะมันมีผู้ประถับบำรุงเข้าไปถ้าเป็นเครืองหัดแล้วไม่มีใครช่วยเหลือใครเลยต่างคน ต, งต่างต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วจะมาให้เป็นทุกข์ยังไงล่ะบางคนหายัางไงมันก็ไม่ได้ก็มีที่นี่นั่นเอ <c oughs> เมื่อหาเอาในทางที่ชอบไม่ได้แล้วมันก็ต้องคิดหาเอาในทางที่ไม่ชอบเข้าไปแล้ววันนี้นั่นนะไม่ชอบโดยกฎหมายไม่ชอบด้วยศีลโดยทำไปก็เป็นมิจฉาชีพไปอย่างนี้มันก็ยิ่งมีโทษหนักเข้าไปอีกนี่แหละพัรธนาถึงความทุกข์แห่งชีวิตนี่นะมันมีมากมายกายกองนะออ บางทีก็ไปร่วมกับคนที่มีนิสัยใจคอไม่ตรงกันอ่ก็ไปเกิดขัดแย้งความคิดคอมเมนต์กันเข้าเกิดทะเลาะวิวาดกันไป <c oughs> ทันจะแยกกันก็ไม่พอจะแยกทันอยู่ร่วมกันไปก็มีแต่เรื่องขัดข้องกันอั น, นอันนี้มันก็เป็นทุกข์แล้ว อ, อย่างเช่นผัวเมีย เอาเมื่อแต่งงานกันมาทีแรกก็รักใคร่กันดีชื่นชมกันดีไม่มีเรื่องอะไรขันต่อมาต่อมาแล้วการทำมาหาเลี่ยงชีพมันยุ่งยากเข้าไปอ่าแบบ น, นี้ก็เอาแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันเข้าแล้วเมียก็โทษผัวผัวก็โทษเมียอะไรเข้าไปแล้วบันนี้เวลามันอดมันอยากขาดเขินมาแล้วนี่ ความอยู่ร่วมกันนะ่ะไม่ลงรอยกันนะคนหนึ่งก็ทำดีคนหนึ่งก็ทำชั่วไปอย่างงี้นะมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันโดยทำจริงๆอย่างนี้สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสิ่งใดมันชั่วก็ชักชวนกันละเว้นไปอย่าไปทำมันสิ่งใดมันดีก็ชักชวนกันทำลงไป อย่างนี้แล้วมันก็มันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนี่แหละถ้าผัวเมียคู่ใดเป็นอย่างว่านี่นะมันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนั่นเนี่ยไหนๆเราก็ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแล้วก็เข้าใจว่าบุญกุศลคนหลังลล น, น, น, นั่นแหละมันรนบรรดาลให้ได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์กันอต่างคนต่างนึกอย่างนี้แล้วก็เอาใจซึ่งกันและกันไป ผิดนิดนิดหน่อยๆน่อยก็เอาโหสิกรรมให้กันไปไม่ถือสาหาความกันถือเอาความดีของกันและกันน้นมาเป็นอารมณ์อยู่ด้วยกันมันถึงมีความสุขได้ถ้าจะไปจับเอาความผิดความไม่ดีของเขาเลๆกลน้อยน้อยมาวิจารณ์แล้วเกิดความรังเกียจกันแล้วมันอยู่ร่วมกันไปไม่ได้เลยคนเราในโลกอันนี้นะไม่ว่าในวัดวาอารามก็เหมือนกัน ผู้ครองเลือนก็เหมือนกันนะ <c oughs> แตงนั้นมันต้องรู้จักให้อภัยอาโหสิกรรมกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปเมาจะเพ่งโทษผู้อื่นอยู่เข้าไปอย่างนั้นเห็นผู้อื่นทำยังไงไม่ดีก็เกิดไม่พอใจเดือดร้อนขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ภาวนาไม่ถูกแล้วอืม ก็เรื่องของใครของมันก็เอาสิใครมีความคิดเห็นว่านี้แหละเป็นทางเองก้อนสูกก็ทำไปมเมื่อมั น, ม, นมันทำไม่ถูกทางมันก็เป็นทุกข์เองกต่เรื่องของใครของมันตนนะ่ะเมื่อมองเห็นว่าทางนี้ทางถูกก็ทำลงไปสิทำลงไปฝึกใจของตนให้มันตั้งมั่นลงไปสลละอารมณ์ภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆ สลาดทิ้งมันไปเอาแต่ความรู้จริงอยู่ในใจนี่เป็นหลักฐานเป็นเครื่องอยู่ในใจรู้จริงรู้อย่างไรก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีไม่มีอะไรกีรังยัง่งยืนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้น ใจของตอนเองมันหักหลงแล้วเราก็ไปยึดถือเอาเรื่องของไม่เที่ยงอ น, นั้นมาเป็นอารมณ์อยู่มันจะสงบใจได้อย่างไรอ่ะดังนั้นต้องปล่อยๆวางๆไปอย่าไปเพ่งออกไปภายนอกอยู่ด้วยกันเนี่ก็อย่าไปเพ่งดูกันเลยกันว่าคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราไปเพ่งกันอยู่นะั้นมนไม่ไม่สงบแล้วอืม อยู่ที่ไหนก็ไม่สงบจะไปอยู่ป่าอยู่ตรงไกลแสนไกลเท่าไร่ใจก็ไม่สงบหรอกให้เข้าใจอืแม้จะไม่ได้อยู่ในป่าในเขาอยู่ในบ้านในช่องถ้าผู้ใดสำรวมจิตตัวเองอยู่ภายในได้ห้ามจิตตัวเองไม่ให้ไปเพ่งเล็งคนอื่นอย่างนี้ได้นะมันก็พอมีความสบายอยู่บ้างนั่นแหละ ก่อน น, นว่าได้สได้ความสบายมากแหละเรื่องอย่างนี้เนะี่ยใครทำใครจึงรู้ใครไม่ทำไม่รู้หรอกเอาใครทำอะไรกระทบกระทั่งตนมาก็ดีสิเขามาช่วยเราสร้างบารมีนี่เราจะได้อดใจทนเอาเราจะได้รู้กำลังใจของตัวเองว่าตนเองนั้นสละอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ หรื อ, อยังยึดถืออยู่มันก็รู้นะถ้าตนยึดถือเอาอยู่มันก็เดือดร้อนขึ้นมาเองมันก็รู้ได้ว่าเออแล้วมัวแต่ไปโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไอ้ตัวเองเดือดร้อนอยู่นั่นทำไมไม่ไม่ตำหนิตัวเองเนออี่ยทำไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาอย่างนี้นะก็ต้องถามตัวเองสอนตัวเองเข้าไปสินั่น เรื่องอะไรทำไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาแล้วถ้าหากว่าเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มันก็ยุติกันไปก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นนะดูตัวของตัวเองดูใจตัวเองนี่เมื่อใจตนเองมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็ ตนอย่างนี้แหละให้พากันตื่นตัวพุทโทรไป ว, ว่าผู้ตื่นแล้วเรานึกพุทโทรแล้วก็ต้องทำความรู้ตัวพร้อมอย่างนั้นให้รู้จักว่าตนนั่นนะ่ะสมควรอย่างไรความเป็นอยู่ของต น, น, นอย่างว่าผู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะ ก็ต้องพิจารณาดูไอการที่เราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ ม, นมานี่มันมีผลดีอย่างไรบ้างได้ความสบายใจอย่างไรบ้างอนี่ต้องสำรวจกวดดูสิแล้วตนได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสงสารตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นบ้างไหมอมอย่างนี้นะ ก็ต้องให้กำหนดรู้ใจตัวเองแหละทุกคนนะหรือว่ามันยังสำคัญว่าโลกภายนอกนั่นจะให้ความสุขแก่ตนอยู่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ดีอย่างงี้นะมันต้องสำรวจรู้จิตใจตัวเองเรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัดสนาบา ร, รมีของคนแต่ละคนถ้าใครมีบุญมาก บุญนั่นแหละดนบันดาลนใะ้เห็นทุกเห็นภัยในสงสารเห็นโทษแห่งกิเลสตัณหา น, านานาประการนี่คนบุญน้อยนี่สู้อํานาจของตัณหาอวิชชาไม่ได้มันก็มองเห็นยินดีไปกับตั้งแต่เรื่องของตัณหานั่นแหละเพราะว่าบุญน้อยนี่สู้อํานาจตัณหาไม่ได้คนมีบุญมากบุญเป็นกําลังใจ บุญนั้นเป็นผู้ชี้บอกให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาต่างๆเป็นอย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั่นเคยรักษาอุโบสถศีลบ้างเป็นกระึงหัดก็ดีเคยฟังธรรมมามพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็เคยพิจารณาเห็นตามนั้นมา มันก็เลยเป็นนิสัยปัจจัยจิตตามมาพราะเกิดมาชาตินี้เราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปมันก็ระลึกได้วันนี้นะก็ เ, เคยคิดเคยพิจารณามาแต่ชาติก่อนนน้นนะมันก็เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายวันนี้นะนั่นนยถ้าจะมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเนี้ไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีแต่ทุกข์เมื่อสรุปลงแล้ว เป็นอย่างนั้นมันจะไม่ได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารอะไรเลยสุขก็สุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองสุขอยู่ในโลกอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่ทุกคนแล้วนะเออนั่นแหละสุขประเดียวประดาวเท่านั้น เ, นเองออย่างว่าเอาสุขจากการครองเลื้ยงบุญกุศลน้นหลังอํานวยผลให้มีเงินมีทองใช้จ่ายมีบ้านช่องอยู่รูรา อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ลองคิดดูนั่นนี่ความสุขเหล่านั้นจะอำนวยให้แก่เราได้นานเท่าไหร่ชิงอยู่ทรัพย์สมบัตินั้นมีหลายอะ่ะมันก็จะอำนวยความสุขให้เรื่อยไปแต่อายุสังขารสิมันไม่สามารถจะอยู่เสวยความสุขในโลกอันนั้นไปได้ อ, อตลอดกาลนานไปไปแล้หมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองอความสุขที่ ได้เสวยมานั้นก็หายหน้าหายตาไปหมดไม่มีแล้วถ้าผู้ใดไม่ทำบุญกุศลสืบต่อไว้อย่างนี้นะเมื่อบุญเก่าหมดแล้วก็ลงทุกเท่านั้นเองใจนี่นะเหมือนอย่างบุคคลเดินทางไกลแล้วไม่มีข้าพาหาหนะนั่นเนะี่มันก็ย่ำตกไปนะแสนทุกแสนยากแสนลำบากแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> อุปมาเหมือนอยังคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้เมื่อล่าโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีบุญกุศลอะไรจะส่งเสริมให้จิตใจอันนี้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นนี่เหมือนคนเดินทางไม่มีค่าผานะนั่นแหละให้เข้าใจผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้ ถึงแม้ว่าบุญกุศลนั้นยังยังไม่เต็มบริบูรณ์แต่มันก็มีเป็นบางส่วนที่สั่งสมไว้ในใจเช่นนี้แล้วแล้วในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็เพีย้ยนพยายามละให้มันน้อยเข้าไปที่สุดเลยทละให้มันได้หมดได้จริงๆริงอันนี้ดีมากทีเดียวอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนั้นได ตั้งอกตั้งใจทําความเพียรลงไปอย่างนี้นะสะสมบุญกุศลไว้อย่างนี้มันก็เหมือนกับบุคคลสะสมเงินทองไว้อต้องการอยากจะไปไหนไปประเทศนอกประเทศนาที่ไหนก็ไปได้ตามประสงค์เขามีเงินค่าพาหานะเอผู้มีเงินมากมันก็ไปประเทศไกลๆนวลประเทศอเมริกามันก็ไปได้ฉันใดผู้มีบุญมากเอาตายแล้วบุญก็พาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าน ก็สวยสุขสำลานเบิกปานใจอยู <behavior> mm ่น hmm. ั <needle> Lincoln, mm ้น hmm. ถ้ายังไม่ถ <prene ur> ึงพันิพานนะบุคคลจะไปสวรรค์ได้มันก็พอมาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏะสงสารอย่างที่ว่ามานี่แหละเห็นว่าการเกิดมาเป็นคนนี่นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นผู้มีอายุน้อยเต็มทีการเกิดมาเป็นคนนี่นะ ไม่ได้นมนานอะไรเลยโย่ไปโยไปหน่อยหนึ่งก็หมดบุญแล้ว อ, อย่างนี้นะผู้ใดพิจารณาเห็นความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ห่วงน ะ, ะไม่ห่วงความสุขในโลกอันนี้มันก็ห่วงแต่ความสุขทางจิตใจนั่นเอาทาอย่างไร ใ, ใจของเราจะเป็นสุขในปัจจุบันนี่เอาเลยนั่นแหละสุขภายนอกนั่น ไม่ห่วงอาสุดแล้วแต่มันจะมีจะเป็นไปเช่นถูกในการกินอย่างนี้นะเอาหามาได้อย่างไรก็กินไปอย่างนั้นาตามกําลังเท่าที่หามาได้ไม่ต้องรีนลนอตนมีทรัพย์น้อยมีปัญญาน้อยหาอาหารมารับประทานก็ได้อาหารที่ราคาถูกก็เงินมีน้อย อย่างงี้นะอืก็ไม่เป็นไรก็รพอใจรับประทานไปอย่างนั้นนะมันก็สบายไปนี่ถ้าว่าตนมีสตางค์น้อยพออยากไปกินของดีๆ น, น, นู่นบมาดิอ๋อมันจะได้ยังไงลนะ่ะตนมีเงินน้อยนั่นนี่เมื่อไม่ไม่ได้รับประทานก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะนั่นแหละคนที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหา คนที่ตกเป็นธาตุแห่งความสุขชั่วคราวใจมันก็คล่องอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างนี้แล้วไปสวรรค์ไม่ได้เลยปุไดเป็นอย่างนั้นนะให้เข้าใจผู้จะไปสวรรค์ได้จิตใจมันต้องมาห่วงบุญห่วงกุศลห่วงความดี <c oughs> <c oughs> หวงความดีเท่ ตนกระทาบำเพ็ญไว้ในใจอย่าให้มันเสื่มอมมาห่วงคุณพระรัตนาไกลแ้่สามประการว่าเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งกำจัดกำจัดทุกไปได้จริงๆนี่เรามาห่วงบุญห่วงคุณอันนี้ทุกวันทุกคืนไปแล้วก็พยายามสั่งสมเพิ่มเติมไปเรืเ่อยๆอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องเพ่งไปสั้นฟ้าสวรรค์ที่ไหนหรอกเพ่งเข้ามาที่ใจนี่ มารวบรวมบุญคุณทั้งหลายไว้ที่ใจนี่ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งใดเป็นความชั่วแล้วก็เพียนละมันออกไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำใจไว้ได้อย่างนี้นี้แหละเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เป็นหนทางไปสู่สวรรค์แน่นอนทีเดียวไม่ต้องสงสัยแล้ว เพราะว่าการที่ใจมันยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่มากพออย่างนี้นะแล้วบุญกุศลยังรวมกำลังกันให้เกิดเป็นอริยมรรคไม่ได้มันก็ยังตัดกิเลสสังโยชน์ในหัวใจนี่ขาดไม่ได้ก็ยังได้ไม่สามารถจะบรรลุโลกุตระธำมได้ ทีนีจำเป็นต้องสั่งสมกุศลความดีไปเรื่อยๆอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้น mm hmm. เมื่ออบรมไปอินชีบารมีมันก็เกกล้าขึ้นไปเรื่อยๆสติมันก็เข้มแข็งไปสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่ใจใจก็ไม่เสื่อมจากสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนเอา้าเมื่อสมาธิมีปัญญามันก็มีอยู่อย่างนั้น พอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามังกรกำหนดพิจารณาได้รู้ความจริงสิ่งนั้ น, นันได้ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้นี่แหละนะเป็นหนทางที่จะบรรลุโลกุราธรรมพี่นารู้อะไรแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อะไรอะไรมาถึงเข้าพี่นาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อย่างนี้นี่นี่นนี่แหละมันจะเป็นหนทางให้บรรลุถึง ซึ่งโลกุตรธรรมดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้